กัรสใจก็มาถึงแล้วจะเป็นนักบวชตาวอนตลอดชีวิตจนตัใจให้เป็นคณมบดีก็ไม่เป็นจะเลือกเดินเส้นทางธรรมเกือบ30ปีแล้วเน ที Yours, Recently, ่เป็นทั okay. like like ้งกัลยาณมิตรสาให้ทำไปเดี๋ยวทำกันมาไม่หยุดไม่ย่อนก็ได้เตรียมอะไรหลายๆอย่างไ่ให้นแล้วก็ได้บอกอาจารย์ไยสารไปหมดแล้ว ชาวนี้หลวงพ่อเขียนท่านก็ไม่ได้มาการฟังธรรมก็คือฟังเสียงธรรมชาติจากภายในจิตในใจนของผู้พูดชาวนี้เดี๋ยวดูว่าจะใช้ลักษณะของรูปกันหรือว่าการหน้าของท่านใด เป็นผู้สื่อธรรมะนะก่อนนิ่มกอนเข้มที่ท้ายสุดนะผู้ที่กลับไปนะก็จะต้องไปปฏิบัติกันต่อให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป น, ะนอกจากมาเก็บเกี่ยวนะอบรมนะให้มีช่องว่างตัวหลงน้อยที่สุดนะการเคลื่อนไหวกายเคลืนะ่อนไหวรู้สึกเคลืนะ่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึก ในแนวปฏิบัติหลวงปูเทียนจีสุโภหรือว่าแนวเคลื่อนไหวที่พระเจ้าทรงแสดงชี้ทางบอกเอาไว้สองพันกว่าปีมาแล้วนะเราก็มาประพฤติปฏิบัติกันจริงๆเป็นผ้าปฏิบัติการเป็นผ้าวิปัสนากรรมฐานนะเดินทางตรงเดินทางลงลัดลงไปนะหลายคนก่อนมามีปัญหาในปีนี้นะ อย่างหนักนาสาหัสนะเช่นเพื่อนของเราคนหนึ่งต้นปีไฟไหม้โรงงานนะหมดไปหลายสิบล้านนะกลางปีพ่อเสียชีวิตนะมาปลายปีน้ำท่วมโรงงานอีกเจ็ดวนะันนี้บอกคุ้มค่าคุ้มค่าเมนะื่อว า, าน ตอนเย็นเกาไปแล้วบอกมันมันคลายมันสบายไปหลายอย่างแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะมันอีกยาวและเกินของการเดินทางนะของชีวิตนะที่จะต้องปฏิบัติรมให้ยิ่งยิ่งเกนไปนะจากหนักเป็นเบาปัญหาต่างๆนะที่ลุ่มเร้เป็นเหตุปัจจัยแต่ว่าจิตใจก็ต้อกระตือ น, น้อยที่สุดนะ ก็จึงเป็นเรื่องที่เป็นจริงนะไม่ใช่เรื่องโกหกมดเต๊เนะหรือว่าปลอมปนเข้ามาเป็นเรื่องที่มันไร้สาระพิสูจน์ไม่ได้หลวงพ่เทียนท่านพูดตรงพูดชัดนะรัดสั้นยิ่งรอนํามาปฏิบัติมันใช่เลยอใครว่าไม่ใช่ก็แล้วแต่แล้วนะแต่ผู้ที่ทำํทำทําถูกทําต่อเนื่อง ธรรมะสมควรแก่การปิบังคั็ทะลักั้งพลูเข้ามาให้เราเกิดปัญญาเห็นแจ้งสติปัญญาตาในนะมันเกิดขึ้นได้นะว่าเรารู้สึกตัวรู้กายรู้อานารู้จิตรู้ธรรมนะมันก็ต้องเห็นธรรมชาตินะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบุญเป็นบาปนะมันยึดมันปล่อยมันวาง มันไม่ทุกมันเป็นสาระแบบโลกยิยะแบบโลกุตระอย่างไรมันก็จะเด็ดขาดลงไปกับตัวเราเองเมื่อวานก็ได้ยินเพื่อนของเราคนหนึ่งนะอยู่ในวัดก็ไม่ได้เขาคอดเข้มนะเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดกัวซาหมอช่วยขณนะที่กำลังมีอาการกำเริบนะ นวดน้ำร้อนน้ำเย็นก็พูดหน้าฟังก็คือเขาบอกพอมันถึงท้ายสุดคนอื่นมันช่วยมันไม่ได้เลยมันมันไม่เอาเลยท้ายสุดเนี่ยมชักตาเลือกเนี่ยมันไม่เอาเลยไม่เอาใครเลยมันอยากจะถนอมตัวเองมันลำคาญไปเลยนะใช่เลยเนะี่ยคนเราปร้ายสุดใน่มีใครช่วยเราได้ ความรู้สึกตัวมันจะบอกเราควรจะทําทตัวยังไงตอนแก่ตอนเจ็บตอนตายทุรนทุรายเฉียดตายมาแล้วมันจะเห็นคุณเห็นค่าของการปฏิบัติธรรมอย่างมากแต่ยังไปไหนได้ไมีเลี้ยวมีแรงมันก็จะไปเตลิดเปิดเปลงนะนะที่ชอบที่ชอบนะแต่ตอนนี้เราเราชอบเหมือนกันแตนะ่ชอบมรรคผลนิพพานนะมีความเห็นตรงนะตรงต่อกายต่อจิตใจของเราจริงๆนะ ดำหลี่กันหลีชอบมลี่ออจากทุกอะไรเป็นทุกไม่เอาดำหลีออกจริงๆสุขเลือกได้เป็นพระมาลัยท่องสุขไม่ต้องติดสุขวางสุขเป็น <_ d umb ly> ไม่อารย์แล้วก็แล้วไป <_ d umb ly> จะทําอะไรก็ตามไม่เสียใจในภายหลัง <_ d umb ly> พระมาลัย <_ d umb ly> มันเลือกเป็น <_ d umb ly> ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ด้วยปัญญา <_ d umb ly> ปัญญาพาธรรม มีเวลาอยู่หน่อยนึงนะเดี๋ยวให้หลวงพ่อทองสุขได้แสดงธรรมท่านเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วที่สำคันก็คือร่วมปฏิบัติธรรมกับเรานะมีความใจ่กับว่าน่ารักก็ว่าได้นะน่ารักไม่ได้รั ก, กแบบโลกโลกนะแต่รักแบบสหายธรรมแบบครูบาอาจารย์แบบกัลแบบยาณมิตรนะท่านทําเป็นแบบเป็นอย่างถึงเวลาลงทานปฏิบัตินะ ถึงเวลาไปตักอาหารถึงเวลาก็ทำเหมือนกับที่เราทำกันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เมื่อวานท่านก็บอกว่าอาจารย์ถ้ามีใครถวายโรงเนี่ยเอาเก็บให้ผมได้นะก็จะนอนในโรงหวางนันก็ฟังมาแนวคิดความเห็นแล้วก็ประสบการณ์ในการปฏิบัติของท่านใน้ารนี้ ท่านมียะาราแสดงออกอบอกพวกเราก็ข อ, อกราบอาราตนานิมนต์กับผม <c oughs> ข อ, อ, นนอมอบ <c oughs> เดี๋ยวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์ไกลาจากกิเลสดัตตู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ก็ถวายความเคารพเดินลงกุญเทียนปณิาจารย์ในการเจริญสติที่พวกเราปฏิบัติสามท่านอยู่ก็นอบน้อมเดินลงพ่อใหญ่คำเขียนซึ่งเป็นประธานเป็นผู้สร้างสถานที่ให้เราปฏิบัติท่ามเทนี่และเป็นครูบาอาจารย์ของเราอาจารย์ทรงศินอาจารย์อัศลชัยพระเจรานุเสละมัจิมนับกะแม่ชีแม่ขาวอุบาสกอุบาสิกาผู้เจริญในธรรมทุกท่านยกมือฟังประเด็นนะ ยกมือฟัง ก, ก็ได้กระขยับมือก็ได้หลพอคําเขียนท่านจับอยู่างเงี้ยเอามือจับอย่างเงี้ยท่านอยู่สังเกตนั่งใกลๆท่านท่านไม่ท่านไม่นิ่งะจับเอามือแตะแตะอย่างเงี้ยท่านเจ้าคุณ <c oughs> จะวะยุทธ์เปเลี่ยนกากประโยคปัญญาตีเป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี น, บบนั่นก็เหมือนกันเวลาฟังธรรมเนี่ยท่านบอกให้ยกมือฟังเวลาท่านฟังคนอื่นเทศท่านก็ยกมือะ ยกมือฝังมันบอกว่ามันชัดเดลูม sure. ื home, อที่ตัวก็ชัดไอ้ฝังก็ชัดจังหวะมันชัดั้งคู่เลยเขาบอกังนพอมันหลุดไปฟังมันก็ฟังชัดที่ที่ตัวฝังพอมันมาจับที่มือมันก็ชัดที่มือมันรู้ชัดเลยเหมือนหลุดชัดรู้แจ้งชัดทั้งหลุดทั้งทั้งรู้อันนี้อธิบายให้ฝังทีนี้ว่ารู้ชัดรู้ซื่อๆรู้เฉยๆตัวนี้ละหมดปัญหาอัญเชิญคุณมหาไหลเปลี่ยนกาประโยชน์อยู่อเมริกามาสิบปี ก็ขอรับประกันด้วยชีวิตด้วว่าความรู้สึกตัวเป็นขั้นต้นของการดับทุกข์เป็นขั้นกลางเป็นขั้นสุดท้ายของความดับทุกข์คือเป็นขั้นต้นของพนันธิพานขั้นกลางของพนันธิพานขั้นสุดท้ายของพนันธิพานคือว่างจากทุกข์นั่นเอ ง, งเอาชีวิตไปเดินผ่านทั้ไวันอย่างนี้พ่อก็มาปฏิบัติธรรมก็ยกมือสะพืดเลยทีเดียวพอความรู้สึกมันจับอยู่ที่นี่กใจมันเฉยมันรู้ซื่อเฉยๆก็เรียกเข้าใจรูปวัฏฏิเลย ปฏิบัติยุบหนองพองหนองมาหลายปีพุทโทมา18ปีนะได้จะติดสุขติดสงบติดสารเสรินดินท้าติดเอกลาบนะจิตที่นี่เขายกย่องสารลเสรินติดเป็นติดตัวสุขติดตัวดีไปติดตัวสงบไปที่มาปฏิบัติสารนิมเทียนนี่ไม่ให้ติดให้รู้ให้รู้ชื่อชื่อรู้เฉยเฉรู้เปล่เปล่าทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งสุกมันงโลภทังกุศทั้งหลงก็แล้ให้เห็นเฉยเฉย การเข้าไปรูป้ไปเห็นเฉยเฉยเนี่ยมันหลุดพ้นมันต่อไม่ติดจิตมัละเอิยดสละก็เลยเข้าใจตัวนี้เข้าใจตัวนี้ทีนี้ก็เคยเคยตายมานะ <c oughs> เอาไม้คันงัดไปงัดยุงเข้าพ่อแม่เป็นชาวนาเอาคกไปเป็นฟันค้ำปเป็นฟันค้ำเป็นตัวเป็นตัวกลางงัดเอาไม้มันตัวใหญ่ยาว เ, เท่าขาเท่าคนขายาวสักสามสี่เมตรนะ กระโดดขึ้นไปเกาะไงเนี่ยกระโดดขึ้นไปเกาะทีไอ้จะมันหลุดมันหลุดที่ตีนเสาตีนเสาของไอ้อยูเข้าน่ะมันไม้กระตีกระ บ, บาลป้งเข้าไปสลบเหมือดเลยเวลาตอนตอนสลบมือดตายไปมันไม่เจ็บเลยมันสบายจริงๆรเลยปุ๊บเฉยๆพอฟื้นขึ้นมาสิมันเจ็บอะพอมันฟื้นขึ้นมามันถึงเจ็บโอ้ตายนี่สบายมากเลยใครว่าตายมันดับไปปุ๊บเฉยๆเนละไม่ไม่ปวดไม่มีเจ็บไม่มีอะไรเลย เคยตายมาก็เลยไม่กลัวตายนะเพราะเคยตายมาแล้วแล้วครั้งที่สองครั้งที่สองก็ครั้งที่หนึ่งอันนี้ครั้งที่สองไอ้ตีตีกบาดเนี่ยครั้งที่หนึ่งไปกินอาหารเสร็จแล้วมันอาเจียนออกพุ่ง อ, อหน้าต่างสลบปุ๊บลงมาเลยนั่นก็สลบไปครึ่บหนึ่งก็ไม่เป็นไรครั้งที่สมนี่นานหนอดสลบประมาณสองชั่วโมงไข้มาเรียไปถ่ายปัสสาวะ ข้างวัดจริงนไปเราตากแดดประมาณว่าบ่าย2องบ่ายสามเขาได้บ่ายหนึ่งเลยนะตากแดดสลบจมกองปัสสาวะอยู่ตรงนั้นเลยคนเห็นเขาไม่ช่วยเลยเขาเอาคนขี้เล่าไปนอนหลับอยู่ในวัดก็ยังงั้พอลุกขึ้นได้ก็ไปโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลโคราชเน่ยเข้าเสร็จแล้วหมอทางพยาบาลไม่ถามชื่อถามเสียงเลยเอาเข้าห้อง icu เลยนะฉีดยาให้ประหทันทีทันใดเลยเสร็จแล้วมีเงินติดตัวไปไม่ มายากาเรเดือนหนึ่งฝากหมอเก็บไปนะฝากหมอผ่อาการเก็บไปตอนนี้พอฟื้นขึ้นมากลับออกมาเนี่ตายมาสามครั้งแล้วตายมาสามครั้งแล้วทีนี้มันทุกวันนี้ก็หลังปวดหลังมาเดินจงกรมเนี่ยก็ปวดหลังปวดเขา่าแต่ก็มันเห็นรูปมันเป็นทุกข์ไงนะอ๋อใจใจก็เป็นเผลอเป็นทุกข์กับมันนิดนิด น, ด น, ดนหน่อยะแต่ว่าเป็นไม่มากแต่ทางกายนะเจ็บช่างมันนะเก็เห็นว่าไอ รูปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาบังคับอย่าเจ็บอย่าเจ็บมันก็เจ็บใช่ไมบังคับไม่ได้ว่าไม่ฝังเพรก็เลยเห็นรูปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นพระจัยรักเนี่ยทางใจก็เป็นเนี่ยเดี๋ยวมันรู้นั้นรู้นี่ยรู้สุครู้ทุกรู้ไม่สุกรู้ไม่ทุกเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันรู้ไปทั่วรู้เป็นอนิจจังรู้ทุกขังรู้อนัตตาตัวรู้ก็เป็นอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนที่เขาสรุปว่าบิญยาณังอนิจจัง วิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณังอริยตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนแต่พวกเราทิศทิ 5, นห้าะทิศทิน5ก็แหละไปขโมยไปตู่เอาร่างกายรูปเนี่ยมาเป็นตัวตนไปตู่เอาจิตเอาใจมาเป็นตัวตนเนี่ยิศห้าเราไม่บรินะสุทธิ์เนี่ยทิศทิศขอบบูชาไอคอไออัจนาขอ้ขอทีอ่สองขโมยไปตู่ไปโกงเอารูปกับ นำมาเป็นตัวตนไปตูเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยเอาความแก่ความเจ็บความตายมาเป็นตัวเป็นตนไปขโมยไปลักไปปล้นออกมาเข้าใจไหมจะศินไม่ผิดเลหลวงพ่อคำเขียนต้องเห็นเห็นเฉยเห็นความแก่ก็เฉยเห็นความเจ็บก็เฉยเห็นความตายก็เฉยเห็นความสุขก็เฉยเห็นความพ้นก็เฉยอันนี้ไปขโมยนะไม่ได้ขโมยไม่ปล้นไปโกงเอาความเจ็บเอาความแก่มาเป็นตัวตนเนี่ย พวกเราโกงอยู่นบบยืนก็เรายืนเดินก็เราเดินนั่งก็เรานั่ ง, น, งนอ น, นก็เรานอนดีใจก็เราดีใจเสียใจก็เราเจ๊ใจขี้เหลวก็เราขี้เหลวสวยงามก็เราสวยงามนั่ยนะนั่นๆเอาไปนั่นไปทั่วเลยโกงแต่พื้นตะพื้เลยฮะเนี่ยศีลไม่ปกติว่ะแต่เห็นว่าซื่อเฉื่อปกติปกตินะะั่นแหละคือศีลคือสมาธิคือปัญญานีคือตัวปกติอาจารย์สงสีนก็นเคยพูดผมใจปกตินะคือใจพราหมถ้าใจปกติผิดปกติก็ใจผี เนี่ใจผีผิดปกติเป็นดีใจเป็นเสียใจเป็นสีไปชมไปรักประสรรเสริญนิทราไปกลัวไปกุ้มเนี่ยใจผีไงนะใสใจพักกับปกติเลยเฉยรู้จะแจ้งแดงแฉอะไรกระทบตากระทบรูปรูปกระทบตูสวยไม่สวยใจเฉยในใจเป็นผ่าแล้วใจละกิเลได้ใจอยู่เนืออารมณ์แล้วสิเนี่เสียงกระทบหูเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงสรรเสริญนิทราใจรู้แล้วก็เฉยสักว่ารู้สักว่าเสียงเฉยเฉยกินเหม็นหอมสักว่ากิน รถอาหารอร่อยไหมเากกราก็สักว่ารถใฉยๆสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มเดี่ยวจับ ก, กระด้างอะไรก็สักว่ากระทบเฉใจใจ ร, ร <c oughs> ู้ทำอารมณ์รู้อารมณ์ดีรู้ความคิดเราเคิดดีคิดไม่ดีมันเป็นมโนภาพเขาเรยียกว่า Picture of Speed ปีมโนภาพผมนั่นแหละเขาเรียกสรรมอารมณ์ทาอารมณ์กับ Pic กเที่ยวอ e ฟสปีดเกิดมันเป็นนึกไปคิดออกไปวาดภาพ อ, อนในใจนะวาดภาพของรูปวาดภาพของเสียงวาดภาพของกลิ่นวาดภาพของรถ แล้วก็วาดภาพของโมโนภาพน่ยอยู่ในจิตในใจไปนึกถึงอดีตอน า, าคตน่ยเอาไปรวมอยู่แล้วก็เรียกว่าตอนแรกก็เรียกว่าใจมันพูดใจมันคิดนั่นแหละตัว น, นั้นแหละก็เรียกว่าธรรมอารมณ์อ่าไปเห็นแล้วก็เฉยๆน่ะถ้าเฉยๆนั่นแหละก็เรียกว่าจะไม่มีตัวตนอยู่โลกนี้ไม่มีตัวตนอยู่โลกหน้าไม่มีตัวตนอยู่ระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ครับพระเจ้าตรัสอย่งในในยงางนี้ตรักับพพิยะภระิยะก็รอดยอดรวยอะมีเรือมีเรือการค้าะ การค้าขายทางเรือเนี่ยพ่อไปทะเลเรือจะล่มถูกคลื่นก็พัยยาก็สมาทานสินก่อสมาทานสินสินห้าสิแปดไม่จำไม่ได้สมาทานสินเสร็จหรือรอพวกลูกน้องกอดกันตัวกันกลมกลัวจะตายนะภัยยาก็ปีนขึ้นเสากระโดงเรือเอาน้ํามันทาตัวซะน้ํามันเครื่องน้ํามันเนี่ยทาตัวพอเรือมันเอียงรูปมาพอกระโดดได้กระโดดลงไปปลาฉลามปลาอะไรก็รอกินอยู่ที่เนมันได้กลิ่นน้ํามันมันก็เลยไม่กินนี่กระดานติดตัวไปแห่นหนึ่งเห็นไหม พวกลูกน้องจมตามเรือไปเลยเพราะว่ายออกไปทันเพราะแรงแรงดูดของเรือมันจมตายหมดเรียงหมดทั้งเรือเลยปาย้ะก็ฝฟาดก็ฝังกระผ้าหลุดลุ่ยเลยพะพอขึ้นฝังมาชาวประมงแต่งตั้งให้เป็นพระอะหันเลโอ้พระอะหันนะไม่ตีกีได้เลยพ้าก็ไม่นุ่งเลยนะท่านก็ไม่รู้ว่าเป็นพระอะหันไปนอย่างไรก็เขาเชื่อเขาคือยอมให้ชาวประมงแต่งตั้งให้เป็นพระอะหันหเพราะว่าเขาแต่งตั้งพระละหันหเขาเคารพเลยนะเอาอาหารให้กินเขากราบขาไหวเ้เออ ถ้าไม่ยอมอตามสมมติของเขาแล้วเสร็จตัวเองก็จะมาได้กินไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอย่างเงี้ก็เสร็จแล้วก็มาเ ด, ด็กินอาหารเนี่ยพอเสร็จแล้วก็มีคนเป็นเทวดาคือคนดีนเนี่ยมาประกาศว่าพระเจ้าเกิดขึ้นที่กรุงราชคฤห์เองพระเจ้าเป็นผู้หลุดพ้นจากกลียดหลุดพ้นจากทุกข์ตัวพระยะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพาระลังหารหลวงเงินพาระลังหารเกิดขึ้น้ที่นนท์ท่านก็อยากจะรู้เห็นะก็เลยหาใบไม้ ศเศษผ้าอะไมาหนุ่งแล้วก็วิ่งบางเดินบางวิ่งบางเดินบา ง, ง, บา ง, บางมาหาพระเจ้าพระเจ้ากำลังพิจารณาอยู่ากรกดับขอฟังธรรมขอฟังธรรมขอฟังธรรมสมครั้งครั้งที่4เดี๋ยวผมจะตายใช่ไหมเนเดี๋ยวจะไมไ่ฟังธรรมพระเจ้าก็บองดูอ๋อก็มาเหนื่อยเหนื่อยก็ต้องตายแน่ไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายว้ห น, น้าก็เลยฟังธรรมเละบอกพรยเมื่อตายเห็นรูปนึงตายเห็นรูปสักว่เห็นเว้นยูอิจ BEN y อยู่ a r จัดเฮีตาหูฟังเสียงนะก็สักแต่ฟังเสียงเฉยๆนะสจัดสี่เฮจัดเฮียสมียนจัดสมียนเท็ดจัดเ t ็ด a ัชคอนแทกจัดคอนแทก n o ลใจรู้อารมณ์เนจัดเนลจปว่าซื่อๆไปเฉยๆแปลว่าเปล่าๆนะ j u t จัดแปลว่าซื่อๆเฉยๆเปล่าๆอะรจัดจัดสักแต่บเฉยๆนะเมื่อรู้เฉยๆอย่างนี้ There ะ <od> DNOU t h e ์ด i ท no ego indeed w u r n after w o r d b e t h e i n the boot burn จะไม่มี ego ไม่มีตัวตนของเธออยู่โลกนี้อยู่โลกหน้าอยู่ระหว่างโลกทั้งสอง did it the end of suffering นี่คือที่สุดแห่งทุกข์ยูยพระภายยอฟังแคนเนี่ยสำเร็จอรหันเลยเพราะสันทีเลยแต่ีไปขอบวชพอขอบวชเสร็จแล้วเธอไปหาผ้ามาวพนไปหาผ้าก็ไปไป่าช้าพระก็อินเดียก็ตาก็เอาหอ่อศพ เอาผาคนทั้นดีห่อศพห้าร้ยชัน้นผ้าหอหอระววางไว้สัปชาติเขาก็ไปดึงดึงมาให้ศพเก้งเก่งเก่ึ ง, ง, งไปแล้วก็เอาไปย้อมแก่นขนุนต้มย้อมแล้ก็เยบ็บเป็นผ้าจีวรมามาบวชเนี่ยบาทก็คือบาดหม้อดินเลยมาบวชไปหาที่ในวัวไม่ได้อ่อนมันอยู่ในป่าชาบมันคิดว่าจะไปแก้งลูกเหมันมันวิ่งก็ชนตึ้งเลยพระกก อ, ขอิข้ากอดข้าวอดน้าํามันก็ตายสรุปเมื่อทันทีเลยพระเจ้าเดินกลับมาบอกว่า พระ ย, ะเย่เนี่ยอเนี้ยสําเร็จอาหารแล้วเหมือนพระก็เลยหามเหมือนจับแขนกันหามก็ไปเผาไปเผาแล้วเอากระดูกไว้ที่ประเทศตะวันหลวงพ่อก็ไปมาแล้วที่ประเทศอินเดียไปมาสี่สิกว่าวันไปเห็นมาไปเห็นที่สถานที่นั่นวันเทตะวันน่ะไปเห็นมาเจานิกร์พระกระดูกของอัฐิของพระพุทธเจ้าอัฐิของพระอรหันต์อัฐิของพระปฏิเจ้าอัฐิของพระ ทำอธิราชพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงทำตัเนี้นควรจะสร้างเสด็จีสร้างสถูปให้อยู่เพราะว่าสร้างเสด็จสร้างเสด็จให้อยู่เพราะว่าจะเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของคนหมดกิเลสให้ดูให้เห็นอย่างนั้นที่นี่ก็งพวกคําเขียนกั็เอากระดูกอธิรุงพระเทียนมาใส่ที่ใต้ธรรมจักเนี่ยพวกเราธรรมจักคืออะไรธรรมะหมุนไปพวกเรากําลังแสดงธรรมจักยกมือเนี่ยรู้สึกเนี่ยสติมันหมุนไปเห็นไหม สติมันหมนไปเคลื่อนก็มีสติรู้สึกตัวหยุดก็มีสตินี่แหละธรรมจักนะอาจจะนั้นเป็นรูปเป็นสมมุติเฉยแต่ที่สุโถทําจริงๆคือธรรมจักหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกเห็นล้มหายใจเข้าเกิดดับเกิดดับเห็นอานิจังทุกขังอนัตตาอยูเห็นยกมือยกเนี่ยก็มือเคลื่อนไว้ก็หยุดการเคลื่อนไหวก็หายไปพอหยุดนิ่งก็เห็นอาการหยุดนิ่งมันเกิดขึ้นพอเคลื่อนไหวปับ๊บอาการหยุดนิ่งก็หายไปนี่เห็นอานิจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นพระไตรลักษณ์อยู่ ขานานี้ที่นี่เดี่ยวนี้เลยทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งสัมผัสอยู่ที่นี่ที่ภาษาหลวงพ่อเทียนภาษาพระพุทธเจ้าให้รู้โดยสัมผัสภาษากระทบขึ้นมาอย่ารู้โดยการนิดการนึกการคิดเลยนะนึกคิดนี่คืเห็นให้เขาไปเห็นมันเห็นความคิดตั้งตัวตัวสติที่เขาไปรู้เขาไปเห็นมันค่องแค่ว่องไวนะเราไอ้ตัวความนึกคิดอั่นบุกโขึ้นมามันจะหายไปเองจะหายไปเองถึงว่าให้กลับมาเห็นความรู้สึกตัว เห็นความรู้สึกขอบคุณหลวงพ่อกำเขียนบอกว่าขอบคุณความโลภความโกรธความหลงที่มันมาให้เห็นว่างั้นขอบคุณข้อมันมาอย่าไปโกรธมันมาเความคิดขึ้นมาเหมือนมันคิดขึ้นมาไม่ต้องห้ามมันนะไม่ต้องคิดไม่ต้องเอาความคิดมาดับความคิดให้เห็นความคิดเห็นแล้วเห็นแล้วไงเห็นแล้วก็กลับมาซมาอยู่ที่ความรู้สึกตัวเสียท่านก็บอกว่าเวลาเดินยงกรมมันคิดขึ้นไปมันไม่หยุดกระเทยเท้าอย่างแรงนะปึ๊กปึ๊ป๊กอยู่ที่ตรงนี้ไถ้ามันนั่นก็ เอามือเค็งน้ำาก็เดี๋ยวปอกๆๆ อ, อ, อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อย่าไปอยู่กับความคิดหนึ่งอยู่กับความรู้สึกนี่นัก็บอกอย่างนี้ไปเห็นมาแล้วความความคิดมันเป็นจิตรุงแต่งกับจิตตสังขารหนึงอะเข า, ารเรียกว่าประเภทอาหารเขาเรียกว่กาบลิงกาอาหารอาหารคือคำข้าววิญญาณอาหารคือวิญคือตัวตัวธาตุรู้เนี่ยเป็นอาหารของของจิตของใจนะวิญญาณอาหารจะครับมโนสัญเจตญาอาหารคือการจงใจคือการกระทํานึ่งแล้วก็ ผัดสาหารผัดสาคือกระทบเนี่ยอาหารคือสิ่งที่นําผลมาเป็นสิ่งที่นําผลมาเพราะมันกระทบปั๊บเนี่ยมโนวินวิญญาณอาหารเนี่ยมันกระทบให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวที่รู้สึกที่แรกมันจะรู้สึกที่ซื่อที่เฉยๆเปล่าๆไม่ค่อยเป็นกิเลสแต่แต่มโนเจตนาอาหารคือตัวเจตนาโต้จงใจเนี่ยตัวนี้จะเป็นกรรมเป็นกรรมกรรมดีกรรมชั่วต้องให้เสวยกรรมเลยนะทีนี้กับกวลิงกาอาหารก็ คือคําเข้าวนะกินเข้าไปน้ําลมเนี่ยกะ บ, บริ่งกะลาหาร่ะก็ทำให้ร่างกายมันทรงอยู่ได้อาหาร4อย่างกะ บ, บริ่งกะลาหารผัดสาหารวิญญาณอาหารมโนเสนเจตนาอาหารอาหารคือสิ่งที่นําผลมานําลนาผลมาให้กายกับใจให้รูป ก, กับน้ำเนี่ยเป็นไปตามมันถ้าภัดสาหารในสิ่งที่ดีก็ทําให้กายเป็นสุขใจเป็นสุขขึ้นถ้าภัดสาหารโช่เล่ยๆก็เป็นพิษเป็นโทษก็ทําให้รูป ก, กับน้ำเนี่ยเป็นทุกข์ไป พันธะหารทีนี้เราฝึกให้ตัวจิตเนี่ยให้มันคุ้นเคยกับปารมาสปารมาสสัจจะปารมาสสวรรคัติเข้าใจไหมมาได้เห็นคนเดินมาเราอย่าไปว่าคนรูปนามอ่ะอย่างนี้รูปนามรูปนามจะเป็นอะไรก็ช่างจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระเป็นอะไรก็ช่างแต่คนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่หมูหมาเป็นไก่ก็รูปนามรูปนามเนี่ เปลี่ยนบัญญัติจากคนจากสัตว์จากหมูจากหมาจากเป็ดจากไก่ครับไปเป็นเป็นปรมัตสบัญญัติสักรูปนามรูปนามอย่างเนี้อย่ีนี้รูปนามใดมีสติมีสปัญญามีความรู้สึกตัวทุพพร้อมรูปนามนั้นก็อยู่ในลักษณะที่สงบพ้นทุกอยู่ทุกข์ขณะเรื่อยๆไปแต่รูปนามใดไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวรูปนามนั้นก็โง่เป็นทุกข์เป็นโทษต่อไปเรื่อยๆเข้าใจคาเข็ญนี่ก็ตัดสินใจได้เลยนะรู้ได้เลยไม่ต้องเดาเะ ไม่ต้องเดารู้เข้าไปเลยรู้โดยการคาดคะเน ร, รู้ด้วยการสัญญาที่มันจําเข้ามานะรูปนามก็เห็นคนเดินไปเดินมาก็รูปนามเส้นก็โดโกเกะกับรูปนามรูปนามสเปสปะรูปนามอะไรหยาบหยาบคล้ายๆก็รูปนามรูปนามสเปสป้นรูปนามน้อนนนนงพ่อกันคำเขียนก็พูดอยู่คําเดียวเห็นอาการอาการดีก็ช่งมันชั่วก็ชัางมันอยาบคล้ายก็ช่างมันนะพิดถูกอย่างมันก็อาการกกาากกสุขกับอาการทุกข์ก็อาการเลยนะดีใจก็อาการเสียใจกับอาการเสียงกับอาการ รูปเสียงกินรถฝนสะาก็อาการเป็นอาการเป็นอาการของรูปอาการของหนาให้เห็นอาการเฉยอย่าไปใส่สมมุติว่ามันดีมันชัว่วมันผิดมันถูกเป็นสุขเป็นเลยไม่ต้องหเห็นเป็นอาการเฉยก็รด้กว่าเห็นไม่เป็นคำ two c นัดคำ two b e มาเห็นอย่ามาเป็นเห็นเห็นกายทุกข์เนี่ยกายมานันทุกข์เลยนะเห็นเฉยเฉยอย่าไปเป็นทุกข์อย่าไปเป็นมาเห็นอย่ามาเป็นทุกเรื่องทุกเสียงมันเข้ามานะมันก็ผ่านไป คำแอนโกลมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไร่ซิ่งฝรั่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรียบร้อย แ, แต่เราไม่เข้าไปไม่เข้าไปดูไม่เข้าไปเห็นมันไนนยไปเห็นว่าพอมันเกิดความโกรธขึ้นมานะถ้าไปเห็นปับ๊บตัวสติสติปัญญาเข้าไปเห็นนะ ไ อ, ไ, ไอ้ความโกรธมันจะหายไปไอ้ความโกรธก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นปน า, าเนี่ยเขาเรียกวิปันสนาเกิดขึ้นแล้วเข้าใจไหมวิปัสนาญาณเห็นของจริงเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างนี้เจถึงว่าตัวดูเนี่ยมันเปลี่ยนหน้าที่จากตัวโกรธมาเป็นตัวดูมาเป็นตัวรู้ว่าเห็นสิ่งนี่ยมันก็เปลี่ยนหน้าที่ของมันเปลี่ยนหน้าที่จากตัวสวยโกรธอยู่มาเป็นทน้าที่พูดว่าเห็นโกรธสิ่นี้ไอ้ความโกรธก็หายไปหายไปอย่างนี้จึงว่าตรัส กัสรู้เจรตสรู้ต่อเต่ากอไก่จอจานแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งรู้จริงรู้ปัจจุบันรู้ขณะแปลวันตัดสรู้นั่นเองคือรู้แจ้งรู้จริงก็คือรู้อารมณ์นี่เองรู้ที่กายรู้ที่ใจของเราเนี่ยไปรู้ที่อื่นก็มันดับทุกไม่ได้มันดับทุกมันออกจากทุกไม่ได้มันหลุดพ้นไม่ได้ต้องรู้ที่กายกับใจนี่รู้ที่รู้กับนามนี่รู้ทีนรู้ที่นี่รู้เดี๋ยวนี้เลยก็คือตัดสรู้กัดสรู้ภาษาอังกฤษก็เลย enlightenment ดัชสโลอินไซส์อะไรพวกนี้เนี่ยไปว่าตัชสโลก็คือก็รู้ที่พฤติกรรมรู้อาการของกายอาการของใจเนี่ยรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ ไ, ไปสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ ไ, ไปก็เรียกธรรมะอันดิจังธรรมะทุกขงังธรรมะธรรมะสังขารธรรมะที่มันเกิดมีส่วนผสมมีส่วนปรุงแต่งก็เรียกว่าคุณดิชั่นมันปรุงมันแต่งขึ้นมาก่อนแต่งขึ้นมานี่อันนี้ก็เรียกว่ า, ามัน เห็นสิ่งเห็นพระอนิจจังเห็นพระทุกขังเห็นพระอนัตตาธรรมะอนิจจังธรรมะทุกขังธรรมะอนัตตากายกับใจนี่แหละเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่ที่เป็นที่เป็นไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการมาดับไปมีจติทรงอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าพายในผ่านพายในผ่านเนี่เป็นนิจจังเที่ยงเป็นทุกข์เป็นสุขสงบอยู่ไม่ไม่ใช่ทนได้แต่ว่าเป็นไม่ใช่ตัวตน พระน า, นาไม่ใช่สตนลแต่เมืมม่อมัน ม, ม, มีคนมาพูดว่าข้าพเจ้าสําเร็จมาผลนิพพานพระเจ้าบอกอย่างเอย่างยังมีตัวข้าพเจ้าอยู่ต้องพูดว่าปัญญาเจตสิกปัญญาคือตัวตัวรู้ตัวเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับใจนะเข้าไปรู้อ่าเข้าไปรู้ไปรู้ว่าใจมันว่างจากความโลภความโกรธความหลงใจไม่มีความโลภความโกรธคนหลือเกิดขึ้นในใจไม่มีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นในใจนี่ย ใจปกติอยู่นเนี่ยนี่เขาเรียกตัวสัสรูหรือ ป, ปัญญาเจตสิกเขาพูดว่าพระบุคคลาภาษาในบุตรพระพุทธเจ้าสําเร็จมากผลในผ่านนั่นเขาพูดตามสมมติสัจจะเฉยเฉยพูดตามปรัชมาสัจจะเขาเรียกปัญญาเจตสิกปัญญาบริสุทธ์ก็คือตัวสตินี่เองตัวสติสัพัญญาเนี่ยตัวปัญญาตัวนี้เข้าเป็นัสโ ร, รูนี่เองไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตัเนี้ถ้าพูดว่าการตรู้ธรรมะการรู้แจ้งผลิพานเนี่ย สงบจริงเนาะ kind of พ ання, o, light, alcohol, so. so. ้น so. ทุกข์ด <Yeah. S 2> ีเนาะเนี่ยเอาพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าพูดแบบภาษาปานามัตินภาษาปานามัต์ข้าพเจ้าค่อยสําเ็จมากกว่นี่พ่านอย่งอย่่งยังมีตัวมีตนอยู่อะอย่างละตัวตัวไม่ได้ออย่างตัวตัวมันจะตกว่าการการรู้ซื่อๆการรู้เฉยๆนี่จิตใจสบายดีสบายก็คือไม่ลำบากเบาดีก็คือไม่หนักหนักคือทุกข์ลำบากก็คือทุกข์เนาะเบาสบายก็คือไม่ทุกข์นั่นเอง เบาสบายดีโปง่งรุ่งเบาสบายดีอันนี้ก็เรียกว่าพูดอย่างนี้ก็ว่าคล้ายๆว่าตัวปัญญาเจตสิกนะตัวสตินะ่ะไปสัมผัส ภ, ภายในผานไปสัมผัสไอ้ความว่างพกนะุกเนี่ยเขาเรียกว่าชาติสิ้นแล้วความเกิดสิ้นแล้วนะพุทธเจา้าตรัสรู้เมื่ออายุสาสิบห้าปีแล้วก็สอนพวกเรามาสี่สิบห้าปีชาติสิ้นแล้วก็คือความตายสิ้นแล้วอความเกิดสิ้นแล้วความเกิดขึ้นแล้วก็คือคื อ, คอตายเองแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ตายมาสอนอยู่ มีขันห้ามาพาสอนเราจะแปลว่ากิเลสมันตายแค่กิเลสนี้ผ่านความโลภความโกรธมันมันมันดับไปแล้วก็ตัณหาการมตตัณหาดับไปเพราะว่าตัณหาสันอยากมีอยากเป็นดับไปอยากเที่ยงแท้ทาววานอไปวิเพราว่าตัณหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นมันดับไปความยึดมั่นมันดับไปมันตายไปนี่นะมันตายไปมันไม่มาเกิดอีกเลยไม่มีชาติโลภชาติโกรธาติหลงชาติดีใจชาติเฉะชัยชาติกูชาติมึงเลยชาติสัตว์บุคคลตัวตนบ่เขาไม่มีเลย ชาติเนนทาชาติว่าลายชาติเพ่งโทษจับผิดคนอื่นไม่มาเกิดขึ้นในใจใจก็ว่างจากอารมณ์โยนเนี่ยนิพพานังประมังสุนอย่างพายในผ่านว่างอย่างยิ่งว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากความยึดมั่นถือว่างว่างจากปัญหาว่างจากจุประธานว่างจากดีใจว่างจากเสียใจว่างจากติว่างจากชมว่างจากสารเสริอนเนนทาใจปกติเองนะอะไรมากระทบแล้วก็เฉยเฉยอยู่นะเสียงไก่มากระทบก็จะเฉยอยูเสียงไก่ก็เพื่ออะไรลูปรูปมากระทบ ประสาทหูหูกระลูปทีเนี่ยลูกก็ะทบรูปขึ้นมาเกิดตัวลูกขึ้นมาก็ดับไปนะเอเอเอก็ดับไปไอตัวลูปก็ดับไปนะเหนไเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปเกิดดับว่างเกิดดับว่างเห็นไไอความเกิดความดับนี่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังผู้ขานตาจะแต่ความว่างนี่เที่ยงว่างอย่างว่างคงที่คงเดิมอยู่นะว่างอยู่นะพันธุพานว่างอย่างยิ่งนะเป็นของเที่ยงแท้สาวโนะไม่มีตัวรูกตัวโกรธตัวหลงตัวรักตัวชังตัวเยินดีเย็นร้ายเข้าไป ความโลความโกรธความหลงเนี่ยตัวขาดสติอ่ตัวโง่ตัวไม่รู้ตัวโมหะตัวหลงนั่นเองคุณพาเกิดหลวงพ่อคำเขียนก็พูดชัดว่าคำหนึ่งเวลาโลภละโกรธไปละหลงขึ้นมานั่นคือตัวโง่มนเกิดแล้วมันตัวโง่มนแสดงอาการออกมาได้ตนันตัวโง่ตัวหลงตัวโมหะตัวอวิชชาตัวอิกโนแรนต์ะตัวดูชั่นอะไรตัวสติวิสตเนี่ยเรียกว่ายาบ้าเขาพูดยังไงฟูลดิสพาวเวอร์ว่าผงฟูลดิสก็โง่ ความเลิก็ผงผมโง่ผงบ้าเลยก็ตรงเยอันนี้ก็เหมือที่เรากับไอ้เทลิกอรที่เกิดขึ้นในถิ่นในใจน่กใจมันก็เป็นบ้าแล้วม็ดไม้ใจบ้าใจโรบใจโกรธใจเมดไม้ไม้เม็ดวายบ้าอันี้ก็ใจมันดีก็จะกับเทียวเพียวไมใจบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจสะอาดใจสว่างใจสงบยังงก็กใจก็พ้นปัญหาอันนี้ใจใจบ้าใจผีปกติแอปนอร์มอน น้อมอออมอนกับดีใจแบบปกติแอปน้อมมอนก็ดีใจเสียใจยินดีจินได้เนี่ยฮิตปกติแอปน้อมมอนก็เป็นผีน้อมมอนดีใก็เป็นพระใจปกติก็จันท์คงศิลป์ก็พูดว่าเป็นพระแล้วใจเป็นพระละกิเลสได้อยู่วยอารมณ์เน่ยทีนี้เราก็สังเกตทีต่ตัวของเราเองสังเกตทีต่ตัวของเราเองเนี่ยทำตัวเีทท่ทํามารู้สึกตัวรู้สึกตัวสิอะไรเกิดขึ้นก็ให้กลับมารู้สึกตัวซะก่อนความรู้สึกตัวนี่เป็นความรู้สึกสซื่อๆรู้สึกเฉยๆรู้สึกเปบาๆ มันก็ภาฮิยะตาเห็นรลบเฉยหูฟังเสียงก็เฉยจมูกดมกลิ่นก็เฉยลิ้นจิ้มรสก็เฉยกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มเนื้อใจรู้ทำอารมณ์รู้ความคิดก็เฉยไอตัวซื่อเฉยเฉยเนี่ยเป็นขั้นต้นของพันิพานเป็นทรามกลางของพันิพานเป็นขั้นสุดท้ายของพันธิพานเหมือนกับเจ้าคุณมหาลัยพุทธเจ้าคุณมหาลัยจบเปริญญาเก้าประโยคนะจบปลี่ยนกาาประโยคเสร็จแล้วก็ไปอยู่อเมริกามา10ปีไปเห็น นะท่านสอนยุบหนอะพองหนอกับพุโทโธหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยคสอนจำตำราท่าพูดอย่างนี้ติดไปเห็นพ <c oughs> ระพปมหาสมัยประเดียนแปดประโยครูป9ก้าประโยคเนาะประโยคอเมริกาท่านบ่จะให้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดอะไรอ็คนเอ็นเป็นเน้าอาวาแทานท่านจะกลับประเทศไทย ที่พระมาหาสมัยบอกว่าเดี๋ยวผมจะตายแล้วไปเห็นเทพนมเถียงยกมือสร้างจวาเนี่ยไปยกจังหวะขึ้นก็ไปเห็นความคิดมันดับเห็นความทุกข์มันดับออกจากใจเขาบอกว่าผมเดี๋ยวผมจะตายเสร็จว่างันผมจะกลับไปสอนพ่อสอนแม่ผมที่ประเทศไทยเหมือนกันผมไม่ยอมเป็นจะอาวาดด้วยนงินที่ท่านเจ้าคุณมหาลัยให้ผมเป็นผมไม่เป็นหรอกครับทีนี้เจ้าคุณมหาลัยไปส่งที่สส่่งทีนามบินมาหาสมัยถามยังไง ร, รู้ไหมที่มาส่งเสร็ขอบคุณครับแทนที่จะขอบคุณท่านจะรู้จะตายเมื่ อ, อไหร่รู้ไหมท่าน คุณมาอะไรมาท่านจะตายเมื่อไร่รู้ไหมบางันถามแค่นี้คุณมาอะไรก็เอ๊ออะไรวะไปส่งเนี่ยเจ้าสาวมาจะตายเมื่อไร่วะจะตายเมื่อไรกลับมาก็ไปดูทีวีแล้ก็เทียนไปนั่งบนคอหานไอ้คอหานที่มีสูวงสูงแบบชงสูงนั่งยกมือสร้างจังหวะอยู่งันยกข้างนอกก็อายโยมังค์เคยสอนยุกน็อฟองสอเคยสอนหายใจก็อยายโยมังค์พอเสร็จแล้วไปเห็นความคิดบันดับมังค์ไอความคิดจิตปลุแต่งไอตัวทุกข์ที่มันเกิดขึ้นน่ะ หายใจเข้ากระทุกหายใจออกกระทุกความคิดกระทุกเนี่ยนะมตรงกับพ่อคาเขียนหลวงพ่อคำเขียนพูดหลวงพ่อเสียนพูดเนี่ยเห็นความคิดดับโอ้เห็นทุกข์มันดับเราก็เลยเชื่อเลยแล้วกลับประเทศไทยมีเงินมาตั้งสิกว่าล้านาเอามาสร้างศาลาต้อนรับปลูกผักปลูกผักปลูกปอกสารพิษนักเรียนเข้าเป็นปีละหมื่นกว่าคนนะเข้ามาเซ็นต์น้ากรเก็บค่าอาหารเช่ากลางวันเย็นวันละ30บาทสามสบาทนี่ค่าอาหารเช้า ว, วันเย็นเข้าเจวัน7จห้า สามเจ็ดวันเจด ส, ส, ส, ส, สาม่เร้กว่าบาทกันเลเก็บนักเรียนค่าค่าอาหารค่าน้าเครื่องดื่มเก็บไม่ได้เอาไปทำอะไรเอาไปทำจ้างคนงานรถผักเก็บผักให้เฉยเนไม่ได้เอากาไรอะไรท่านบอกว่าทุ่มเทชีวิตในการปฏิบัติสายหลวงอเทียนเลยตอนีสาม ท, ทุ่มท่านก็ยังไปรถน้าตนไม้อยู่ไปเเดินไปเห็นสอทุ่มสาทุเดินโยงโกมก็ไปเห็นอา้าวหลวงพ่อทอะไร ลดน้ําผักว่ะคือเอาให้ผักปลอดสารพิษเอามาเลี้ยงเด็กนัดเองอะไปซื้อตลาดนั้นก็มีผักสารพิษนะทีนี้มีด็อกเตอร์ภรรยาผู้หญิงเหมื่อเดือนเป็นช้นแสนบาทเ่ยนะปลูกผักกินเองเป็นการเอ็กซ์ไซส์ออกกําลังกันใช่ไมไม่ซื้อผักตลาดรวยจะตายไปแลผักตลาดไม่สารพิษเหมือนกันเอาสารพิษเข้าไปพอกเจี่ยวผลงั้นกูน ก, กินเองดีกว่าเขาบอกกัน เป็นการออกกําลังกายเกิดเรียกว่าทํางานในเด็กการออกกําลังกายจเจริญสติปลูกสารพิษกินเองเหมือนไปซื้อสมัยเหมือนที่แล้วก็เมแล้วก็ออกกําลังกายรดน้ําเจริญสติไปจะได้ไม่กินสารพิษเท่าไงกันลูกเนเขาก็ใช้สติแล้วเนี่ยพาให้เกิดเมตตากรุณาเกิดว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดอะไรควรพูดอะไรม่ควรพูดมันมีประโยชน์ไม่มีโทษอย่างไรก็นั่นแตัสติตัวปัญญาและพาทำเราก็เทียนกันเหมือนกัน ท่านเจ็บปวดอดยู่ยมมีคนมาสอนธรรมะเปืดธรรมะทำลุกขึ้นมาหน้าตาเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสเลยว่ะหลวงพ่อเจ็บจะตายอยู่หลวงพ่อก็ยังสอนลวพอ่อไม่เมตตาอย่างสูงสุดใช่ไหมไม่ใช่ปัญญาพาธรรยางั้นปัญญาก็คือตัวสตินพะ้นพาทนั่นเองพาสอนนั่นเองพาสอนนั่นเองอันนี้เหมือนกันอย่างที่หลวงคบเขียนพูดเลยนะคนที่ขี้โรค ข, ขี้โกรธขี้หลงนะ่ะนาสงสารหอย่าไปโกรธตอบหน่าสงสารถ้ามีโอกาก็ไปช่วยแนะนโจงเขาออกจากทุกข์กันะ เขาออกเขาหาสร้างออกไม่ถูกเีไงเราก็พอเขาหายโรคหายโกธรายร้องขึ้นมาเกิดให้เราก็ไปเตือนไปเตือ น, ไ ป, อนไปเตือนเขาะไปชวนเขาทำเนี่ยเทนิเหมือนกันเทนิคบงับงคัพระองค์มาบวชเทนิคมีลูกขึ้นนะปฏิบัติไม่ดีคนระับเมียทิ้งขึ้นมาบวชพระอย่างนี้บวชพระแล้วมาบวชจะหาเงินเลี้ยงส่งลูกหลวงพ่อว่างโง่บัดซบเลย เอาลกมาบวชชีทั้งหมดเรื่องเลยเอาบวชชีปฏิบัติธรรมเพราะว่าการเกิดมาไปสร้างคนให้มาเกิดมามีครอบครัวนีแต่งงานมีรูปน้ำเกิดมาเป็นทุกข์ลูปนามเกิดไปเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลตน ต, ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องโรคต้องโกรธต้องหลงอนี้มีราคาโทสะโมหะจรเนี่ยสร้างทุกข์ขึ้นมาสมัยนี้นนแต่นางวิสาขามีลูกส0บยคนนางวิสาขาสําเร็จพระโสดาเมื่ออายุ7ปีอายุ16ปีแต่งงานแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ เขาสร้างลูกขึ้นมาเขาไม่ได้สร้างด้วยราคะไม่ได้สร้างด้วยความกําหนัดยินดีเขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้ลูกของเขาเนรู้ธรรมะและก็เผยแผ่ธรรมะต่อไปลูกนังวิสาขา20คนเป็นพระสนธบันเรียบวุฒิเลย เ, ออเขาไม่ได้สร้างมาเด็กดึกกิดกำนัดเดือกนั่นขึ้นมาเข้าใจไหมเขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้มารู้สติสัพพัญ ญ, ญาเพื่อมาเสพทอดอายุพศศาสนามนุษย์เนี่ยเกิดมาทําไมครับ ผู้ชาติเกิดมาเพื่อรู้ทุกดับทุกแล้วก็แก่เจ็บตายไม่ทุกทําหน้าที่สอนคนอื่นไม่ทุกเว้ยใช่ไหเกิดมาเพื่อความไม่ทุกเว้ยรู้ทุกแล้วก็ดับทุกทําหน้าที่การงานด้วยความไม่ทุกเสอนแก่เจ็บตายไม่ทุกแล้วก็สอนผู้อื่นให้พ้นทุกโดยความไม่ทุกใช่ไหมนี่พุทชาสมัยนี้พวกหัวสูงปัญญาสูงความคิดสูงสัตว์อื่นหัวมันต่ําอ่าหัวมันต่ำปัญญามันต่ำอย่างไก่อย่างช่างหัวควายเนี่ยมันกินหญ้าหัวมันติดดิน ตรวมันสูงมันต้อขี่ยกหางขึ้นมาใช่ไก็แสดงว่าหัวมันต่ำปัญญามันต่ําความคิดมันต่ํามนุษย์หัวสูงปัญญามันสูงถ้าเกิดเพื่อเพื่อจะรู้พระธรรมอานิจจังทุกขังและต่างสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่มันบริสุทธิ์น่ยโลกนี้สวยงามดุราชรุอ่าราชรุมันสวยจริงๆเลยแต่มันประดับตกแต่งคนสุดท้ายมันก็สดโสมออไปโลกนี้สวยงามดุรายชรุคนโง่เขาย่อบุกอยู่ผู้รู้หาข้องอยู่ไหม คือไปเห็นอานิจังทุกขังอนาสาทั้งหมดเลยจะร่ำจะรวยจะสวยจะสูงเจอง่ายตำแหน่งสูงสุดขันนี้ก็อานิจังทุกขังอนาสาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายใช่ไหมเจนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายคนโง่คนที่มีสติญาเป็นทุกข์ไหเป็นทุกข์เพราะความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายเจนี้คนที่มีสติปัญญาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายเป็นเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเป็นอานิจังเป็นทุกขังเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะไปหมดเลยใช่ไหเห็นเห็นแล้วไม่ทุกข์ใช่ไหอย่างนี้ อย่างนี้จึ ง, จ ง, จงควรมาสอนเละมนุษย์ในราคาจะเสพพระพุทธศาสนาคื อ, คอมาว่าอาจารย์สุดใจที่จะมาบวช น, นี่ก็อขออนุโมทนาสาธุด้วยนะเพราะว่ามาช่วยพระพุทธเจ้ามาช่วยจูงคนให้พ้นทุกข์ช่วยให้โลกช่วยโลกมาเด้วเนี่ยช่วยเป็นครูเป็นรานจักพัฒนเป็นคณะคณะทีคณะที่บดีเป็นอธิการที่บดีเป็นมาแล้วเนี่ยก็ช่วยทังโลกกันช่วยแล้วก็ไม่ไมพ้นทุกข์ทีนะ่มาช่วยพุทธเจ้าสอนคนให้พ้นทุกข์ดีกว่าขอให้ญาติโยมทั้งหลายต้องมีดวงตา เห็นธรรมนะเห็นกายกับใจเห็นพฤติกรรมอนะไรเห็นแล้วให้ความทุกข์มันดับไปเห็นกิเลสท่านหามันดับไปนะให้ใจว่างเปล่าจากกิเลสตามพุทธเจ้าตามหลวงพ่เทียนตามหลวงพ่อคำเทียนตามพระอาจารย์ญญทรงศิลป์ตามลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนตามพระอาหารหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วด้วยกันทุกท่านเทิน